อันต่อนนี้ไปเรื่อพากันตั้งใจฟองธรรมะอันเป็นแนวทางปฏิบัติธรรมะแรลกว่าสภาพที่ทรงไว้ซึื่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีทุขติอบายภูมิเป็นต้น จหมายเอาธรรมะฝ่ายผูสนในที่นี้แสดงว่าคนเรานั่นเมื่อยังไม่มีธรรมะอยู่ในใจมันก็ยังมีทุกข์อยู่มีทุกข์มีความเดือดร้อนใจ เพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาความอยากมาครอบงำจิตใจตัณหานั้นมันไม่ให้หยุดยั้งเลยมันให้มีความอยากเอืองนั้นเป็นพื้นมาตั้งแต่เกิดเป็นวิญญาณมานูน่นเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันก็มีตัณหา อยู่นานมาก็เป็นสัตว์ใหญ่ก็มีตันหาครอบงำอยู่จากสัตว์มาเป็นคนตันหามันก็ติดตามมาเป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนเป็นเหตุให้ได้ทำการทำงานหาเงินหาทองทุกข์กระทำลำบาก กรเพาะตัณหานี่เองพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในพระธรรมจักรกับปวตนาสุขนะกา ม, มาสุขสมบัติทั้งหลายเหล่าเหล่านี้นะมันเป็นเครื่องร่อใจให้ติดอยู่ในทุกข์เป็นธรรมอันต่ำนะไม่ใช่ธรรมอันสูงเป็นธรรมของบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลส ตัณหาบุคคลผู้หนาแน่ไปด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็ยอมพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ผู้มีคุณธรรมมันสูงขึ้นไปกว่านั้น<ม>ก็เป็นผู้เบือนายต่อกรรมคุณทั้งห้านั้น มุ่งหวังความสงบเป็นที่ตั้งบันนี้มองเห็นการทําใจให้สงบนั้นนเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมและมองเห็นว่าการปล่อยใจให้ไปคลุกคลีอยู่กับอารมณ์แห่งกามทั้งหลายนั้นมันเป็นของร้อนมันเป็นทุกข์มมันต้องเห็นโทษอย่างนี้ซะก่อนคนเราเนะี่ยมันถึงทอนตัวออกจากกรรม พราคุณทั้งหลายได้ก่อนที่มันจะเห็นโทษก็เพราะได้ฟังบ่อยๆแล้วก็ได้ภาวนาทำใจให้สงบลงไปเมื่อใจสงบแล้วหยิบยกเอาเรื่องหมริมาพิจารณามันก็เห็นได้ชัดเจนเลย ผู้ที่มีตัณหาครอบงำจิตใจยอยู่ถึงแม้จะเห็นว่าการเพิดเพลินมัวเมาอยู่ในกรรมคุณนี่มันเป็นทุกข์มันก็เห็นผิวเผิน ว, วยหัววันนั่นแหละทุกข์เพราะทำการทำงา น, นเหนื่อยเมื่อยล้าราะวันนั้นแหละแต่จะให้เม่นเห็นความทุกข์อันลึกซึ่งเข้าไปกวัวนั้นมองไม่เห็น ความทุกข์อันพาให้เกิดแล้วแก่เจ็บตายไปในสงสารไม่รู้จะจกกบจากสิ้นนี่อันเป็นความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นเบื่อหน่ายทุกขาชาติปุักปุนังการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายพระองค์เจ้าสัดไปอั น, นีน้แต่คนเรามันชอบเกิดทักหนา เมื่อเกิดมาบุญกุศลตกแต่งรูปร่างอันนี้ให้แล้วก็เมายินดีพอใจอยู่ในรูปร่างอันนี้โตว่าตนสวยตนงามอืมว่าตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นแหละมันหลงเมา อ, อ, อยู่ในนี้เอาเครื่องประดับประดาอะไรต่ออะไรมาตกแต่งเข้าไปแล้วส่องดูเงาตัวเองเข้าไปแล้วยิ้มแป้นเลย เราก็แม้เรานี่ก็สวยคนหนึ่งนี่ในโลกอันนี้ขนงเใจมันก็เลยพผกพันอยู่อย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วนะมันเป็นเหยื่อรอให้ติดอยู่ในทุกข์ความยินดีพอใจในรูปในร่างอันนี้นะเพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยงสาเหตุที่ว่ามันเป็นเหยื่อรอให้ติดอยู่ในทุกข์นั่น เวลามันแข็งแรงอยู่นี่ก็ยิ้มได้อยู่แล้วสบายกินก็ได้นอนก็หลับอันเวลามันวิบัสสลงอันนั้น น, น, นั่นแหละเราจะเห็นพิษสงของมันเนะื่างกายอันนี้นะเวลามันวิบัตสลงไปแล้วเจ็บปวดทุกขเวทนาหาที่ไว้ที่วางไม่ได้เลยในความเจ็บนี่นะใครทุกคนคงจะผ่านกันมาแล้วนะ แต่เมื่อมันหายแล้วมันลืมซะมันลืมผิดสงของความเจ็บนั้นเหตุฉะนั้นมันจึงได้เพิดเพลินมัวเมาอยู่ตามเดิมคั้นวเวลามันเจ็บลงอันนี้จึงเบื่อจึองในจึงเห็นว่าชาติความเกิดนี่เป็นทุกข์อย่างนี้จริงหนอาะครั้นเมื่อมันหายเจ็บหายป่วยแล้วพอเห็นว่ามันเป็นสุขสบายอันนี้แหละคนเราเนะ่ะมันติดอยู่ในทุกขนะ์เน่ะ กระเพาะหลงความสุขความสบายชั่วคราวนี้เองความจริงนะความสุขความสบายชั่วคราวเนี่ยแต่ละคนที่ท่องเที่ยวมาในสงสารเนี่ยได้รับกันมาทุกคนแหละความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีก็ได้สัมผัสกันมาแล้วความสุขในกามคุณเนี่ยใครจะไม่ได้สัมผัสไม่มีเลย ผู้ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะแต่ละฟา น, นั้นมันก็ยังไม่อิ่มนะอืมมันยังไม่อิ่มเลยอ่ะยังหิวอยู่งั้นเนะอ่ยเช่นเดียวกันกับบุคคลไม่ไม่อิ่มข้าวนะนะั่นเน่ยเมื่อรับทานไปทีแรกก็อิ่มอยู่คันเมื่อไถ่ธาตมันย่อยหมดไปแล้วมันเกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วการทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละอืม ผู้ใดสัมผัสสิ่งใดผู้ใดมีสิ่งใดไว้ครอบครองก็ชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั้นขั้นพอสิ่งนั้นมันวิบัติแปรปวนไปจิตใจก็เศร้าโศกเสียใจรับแค้นใจต่สร้างตึกสร้างตึกสร้างรามขึ้นหลังใหญ่โตหรือว่าสร้างโรงงาน ทำผลิดพันธ์ต่างๆขึ้นมาแล้วอเอาจ้างคนงานไปทำงานขายของได้กำไรดีก็มีความสุขสบายทันเกิดเอ็กซ์ตรี์ขึ้นมาไฟฟาชอ็อตไหมลงงานอ้วกไฟลงไปเอาแล้ววานนี้มีแต่ความทุกข์ความโศกความขับแค้นใจทุนรอนอะไรก็ลอยรอลงไปอืม นี่แหละไอ้ความทุกข์ของมนุษย์เรามันเจืออยู่ด้วยความสุขคนทางหลายเนะี่ยมันก็นมาหลงอยู่ในความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเอาความทุกข์กับความสุขมาบวกครบคูณหารกันดูเราจะรู้ได้ว่าความทุกข์นั้นมากกว่าความสุขทีเดียว นี่สําหรับผู้มีปัญญาจะไม่หลงงมงายติดอยู่ในความสุข์ั่วเคลานั้นโดยส่วนเดียวเมื่อมันติดเมื่อมันเกิดมีความสุขขึ้นมาก็พิจารณารู้เท่ามันรู้เท่าว่าความสุขทั้งหลายเหล่านี้มันอาศัยขันหานี่แหละเมื่อขันหานี่มันเป็นปกติก็มีความสุข เมื่อขันห้านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปมันก็มีความทุกข์ตกลงว่าสุขทุกข์แต่มันอาศัยขันหานี้เมื่อขันหานี้มันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรสภาพไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บร้อนปวดนี่อะไรต่ออะไรแต่ว่าเจ้าของขันหานี้มันถไม่พิจารณา มันเป็นทุกข์ก็ร้องโคลนคางไปเฉยเมื่อมันเป็นสุขก็ชื่นชมยินดีไปไม่ได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสุขของทุกข์ของขันธ์้าอันนี้เลยนี่ได้มองกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงออกจากทุกข์ไม่ได้อพอจะออกจากทุกข์ได้มันก็ไม่ติดในความสุขชั่วคราว เอาผู้เป็นทา ย, ยกทายิกาก็มีข้อวัดปฏิบัติอยู่ขอนขวายทําการงานได้เงินได้ไดทองมาแล้วก็เลี้ยงตัวและครอบตัวบ้างแล้วก็แบ่งหินแบ่งทานบ้างอย่างนี้อแล้วก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปอย่าไปทําบาปให้แก่ตัวเองเพราะว่าชีวิตที่มันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะบาปนี้แหละ เพาแต่ชาติผ่อนไปเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นให้เจ็บให้ปวัวให้ทุกขเวทนากรรมนั้นมันก็ติดตามมาพอมาถึงชาตินี้มันตามมาสนองเอาทำให้ร่างกายวิบัติลงอันนี้แหละคนเรานะัมัวเมาประมาทไม่ได้คิดถึงอัตภาพร่างกายสังขารเนี่ย ตามความเป็นจริงไม่ได้เพ่งเพิจารณาถึงเหตุถึงปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงได้ประทุกับความทุกข์อยู่ร่ำไปออกจากทุกข์เหล่านี้ไม่ได้ออกจากขันห้านี้ไม่ได้หมายก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยห่วงมันไหลขันติพงจะวางมันปเสียดายมันพอได้อาศัยมันมาแล้ว แต่พระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์ทรงสอนให้พุทธบริษัทปงมันลงวางมันลงมันด้วยการภาวนาสมาธิจะปรงโดยวิธีอื่นไม่ได้ต้องปรงโดยการเจริญสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบลงไปจเจริญปัญญาพิจารณาความจริงของขันหานี่ มันเห็นตามเป็นจริงอยู่เสมอเสมอไปเช่นนี้แหละมันถึงปลงมันได้มันจึงออกจากขันห้านี้ได้อาศัยขันห่านี้อยู่แต่ว่าไม่คล้องไม่ติดอยู่ในขันห่านี้นี่เราทําใจอย่างนี้อืมนัพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่าทําจิตใจให้เหมือนกับ น, น้ํา อาศัยอยู่ใบบัวใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําน้ําไม่ซึมทราบเข้าสู่ใบบัวฉันใดมุนีทั้งหลายก็มีจิตใจตั้งมัน่นอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้ซึมทราบเข้าสู่จิตใจของมุนีผู้รู้ทั้งหลายก็ฉันนั้นอืมคือเมื่อตั้หาความอยากของกําหนัดมีอยู่ในใจเป็นแม่เหล็กอยู่แล้ว เวลารูปเสียงกลิน่นรสทั้งหลายกระทบตาหูจมูกลิ้นมาเข้าเวลาใดอย่างนี้นะมันก็ดูดเข้าไปในจิตใจเลยดูดเข้าไปด้วยความยินดีด้วยความกำหนัดด้วยความพอใจราคาตัณหาความกำหนัดยินดีความอยากได้นั้นนะเป็นเสมือนอย่างแม่เล็ก เมื่อเอาเหล็กเหมือนกันไปใส่ใกล้กันเข้ามันก็ดูดปั๊บติดเลยอย่างนั้นแหละท่านผู้ใดเป็นผู้ละละราคะตัณหาให้หมดไปจากดวงจิตแล้วละความอยากความปัทธณาทั้งในโลกนี้โลกหน้าอะไรหมดแล้วเช่นนี้อารมณ์อันใดกระทบเข้ามาก็มันก็หายไปหายไปเพราะว่าจิตใจท่านไม่รับเอาแล้ว มันไม่ดูดกันเลยอืมมันไม่ดูดมันไม่มีเชื้ออยู่ภายในมันถึงไม่ดูดเข้าไปเห็นก็สักว่าแต่เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินอืมได้รู้สึกในอารมณ์ต่างๆก็สักแต่ว่ารู้สึกไปอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ยินดียินร้ายอืม พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พุทธบริษัททำจิตใจให้เป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าแสดงถึงอุบายอบรมฝึกฝนจิตใจสำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวตัตาสงสารนี้อยากจะออกจากทุกข์ในสงสารนี้มันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้สำหรับผู้ที่ยังพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสนั่น เอาเพราะองค์เจ้าก็ไม่สอนให้ลึกซึ้งลงไปถึงปันนี้กระงสอนให้ยินดีแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่ปราศจากโทษที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมการแสวงหารูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะห้แสวงหาโดยทางสุจริตไม่ผิดศิลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง นี่เมื่อตัวเองหาได้มาแล้วก็พิจารณาบริโภคใช้สอยให้พอสมมาสมควรแก่ฐานะแก่รายได้รายรับไม่อย่าไปอาศัยตัณหาและบริโภคสมบัติเหล่านั้นถ้าอาศัยตัณหาบริโภคแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่เลือ้อมีหมื่นหนึ่งก็จ่ายหมื่นหนึ่งได้วันเดียว ถ้าไปอาศัยตัณหาความอยากแล้วมันเป็นไงนรานนั้นต้องรู้จักประมาณในฐานะของตัวเองตัวเองหาได้เพียงเท่าใดมีรายได้อย่างไรบ้างสมควรจะใช้จ่ายเท่าไรมันจึงจะพอดีกับรายรับอย่างนี้มันต้องคิดต้องพิจารณานั่นเมื่อใดพิจารณาเห็นว่าควรจะจ่ายเท่านี้ มันจึงจะสมดุลกับรายรับมันถึงจะเหลืออยู่มัง่งพอได้เป็นทุนนอนต่อไปออันผู้มีปัญญาผู้ไม่รู้อำนาจแก่ตัญหาแล้วนั้นมันก็รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติอแล้วก็รู้จักประมาณในการประดับประดาตกแต่งร่างกายบางคนเนะ่ยมีเงินทองเพียงเล็กน้อย อ้อกูไปซื้อสร้อยคอราคาแพงๆมาใส่เข้าไปอวดเพื่อนไปซื้อตุ้มหูสวยๆงามๆแหวนเพชรอะไรมาใส่เข้าไปให้คนทั้งหลายรู้ว่าตนมีเงินหลายที่แท้แล้วมีเงินไม่มากนั่นแหละบุคคลผู้รู้อำนาจแก่ตันหามันก็เป็นทุกข์แหล ะ, ะเขาเรียกว่าตู้ทองเคลื่อนที่ เวลาโจรมันเห็นเข้าน้ำลายมันไหลมันก็ติดตามไปหาออโอกาสหาช่องเมื่อได้ช่องมันก็จี้ก็พล้นเอาลอกคาบเอาไปตัวเองก็นั่งร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะอะไรของรักที่พัดพาดจากไปนี่บุคคลผู้ไมพ่พิจารณาเห็นร่างกายสังขาร ทำสภาพความเป็นจริงแล้วย่อมหลงไหลในวัตถุปัจจัยต่างๆในโลกนี้หลงไหลแล้วก็ก่อทุกข์แล้วว่นนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดังที่บรรยายมานั่นแหละทุกข์ในชาตินี้แล้วยังไม่แล้วละโลกนี้ไปแล้วกรรมชั่วที่ตัวทามันยังตามไปนำดวงกิจ ด, ดวงนี้ไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปอีก แต่คนเราไม่ค่อยเชื่อหรอกเรื่องหัวนี้นะไม่เชื่อนอั่นหละมันถึงไม่ทำตามไม่ละเว้นตามถ้าผู้ใดเชื่อแล้วผู้นั้นก็ทำตามทำตนเป็นคนมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้ตนหาเงินทองเข้าของได้มาโดยชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยก้ น, นไมมากน้อยเพียงใด ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เพียงนั้นไม่ทะเยอทะยานเกินกรอบแห่งศีลแห่งธรรมไปผู้รู้ทั้งหลายท่านบำเพ็ญชีวิตของตนอยู่ในโลกนี้แบบนี้แหละมผูได้ฟังคำสอนของพระเถรเจ้าแล้วย่อมทามาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตที่ท่านเรียกว่าสัมมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงไม่ชอ่อโกงใครเขาเลี้ยงชีวิตอย่างนี้นะสัมมารกระมลมันโตก็ทำการงานที่ปราศจากโทษเช่นเป็นชาวประมงเออเป็นเพชราคาดฆ่าสัตว์หมูฆ่าว้วฆ่าควายชัาแหละเนื้อไปขายมาเลี้ยงชี่เลี้ยงครอบครัวมูนี่ มันล้วนตั้งแต่การงานที่ประกอบไปด้วยโทษทั้งนั้นเลยหรือว่าเลี้ยงสัตว์ไปมากๆแล้วขายเขาไปฆ่าเป็นอาหารหรือว่าขายของเสพติดให้โทษต่างๆสุรากัญชายาฟินเฮโรอี น, นอะไรพวนี้ขายยาพิษยาเบื่อเนี้ ย, ย, ย, ย, ม, นนยมันเป็นการค้าขายที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษ ไม่ชอบด้วยศีล้วยธรรมผู้ที่มารู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระุทธเจ้าแล้วอย่างนี้เขาจะไม่ทําอย่างนั้นเลยจะไม่ทํามาหาเลี่ยงชีพอยู่นอกศีล น, นอกธรรมจะทํามาหาเลี่ยงชีพอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมแม้ว่าจะได้ไม่มากก็ตามนะ พอมันมีอุบายปัญญาสอนใจถึงมีมากเท่าไรตายแล้วใครกอดเอาติดตัวไปไม่ได้มีพออยู่พอกินพอไม่เป็นหนี้ของใครแล้วก็เอาละเราตั้งหน้าปฏิบัติธรรมสำรวมกายวาจาใจของชนให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสปาประธรรมต่างๆในโลกนี้ กูไร้ทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รักตนปาถนาที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้จริงๆอย่าไปกลัวว่ามันจะไม่ได้เกิดอีก้ารสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มตราบใดแล้วมันได้เกิดอยู่วันยังคำ่ำแต่ในที่นี้ขอให้มันได้เกิดดีตามความหมายแห่งคำสอนของพระ เ, เจ้า ถ้ามันจะเกิดอีกก็ขอมันได้เกิดดีอย่ามีเวรอย่ามีกรรมชั่วติดตามเป็นสนองให้เป็นทุกข์ให้ได้มีโอกาสได้สร้างบุญบา ร, รมีไปในภพในชาติที่เกิดนั้นนั้นความหมายที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทมีอย่างนี้นะเดีวทำไมพระองค์เจ้าสอนอย่างนี้ที่สอนอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่า คนเราเกิดมาในโลกนี่มันทําทั้งบาปทําทั้งบุญคนเปกันไปนี่นะนี่เนะี่ยจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ให้พากันเข้าใจไอ้จุดที่สําคัญเพราะเหตุไรพระองค์เจ้าทึงเนี่นําสั่งสอนให้ละชั่วทําดีเนี่ยนั่นแหละเพราะคนส่วนมากมันละความชั่วยังไม่ได้ทําไม่ทํามากกว่าทําน้อยแหละความชั่วนี้นะแต่ละคนนั้นนะเนีย่ย เมื่อยังไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าโดยแจมแจ้งนะทีนี้เมื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ต้องอาศัยบุญโหรหลังที่ทํามาแต่ก่อนนั้นมาสนับสนุนด้วยนะมันยังเห็นตามอ่ะจึงเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปนั่นน่ะเพราะว่าบาปมันมีจริงอยู่ในใจของตนเนี่ย เชื้อของบาปมันมีอยู่เช่นความโลภความโกรธความหลงอะรนี้นะใครปฏิเสธได้ล่ะมันมีอยู่ในใจในี่ทุกคนลลยอย่างนี้นั่นแหละนี่เชื้อของบาปเมื่อสะสมเชื้ อ, อ น, นี้มากๆเข้าไปแล้วมันก็ไปเหตุให้ทำบาปเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พฤบพืชผิดในก้ามกล่าวมุสาวาตื่มสุ ร, รามรไรกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน ของเสพติดได้โทษทั้งๆหางๆนี้โทษทั้งห้าประการนี่แหละเมื่อบุคคลไม่ละไม่รู้แจ้งเมื่อก็เป็นเหตุให้ทํากรรมชั่วห้าอย่างนี่เกิดมาแต่ระชาตนะิแต่ก็ไม่ได้ทำแต่กรรมชั่วห้าอย่างนี้เท่านั้นเอากรรมนี้ก็ทําวันนี้ให้ทานก็ให้ไปรักษาศีลก็รักษาได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่สม่ําเสมอ แล้วก็ได้ให้ท่านได้สงเคราะคนยากคนจนได้อุปถัมภามุงมารดาบิดาได้เกื้อกูลครูครูบาอาจารย์ผู้ที่สอนความรู้ต่างๆให้ได้เสียภาษีอากรให้แก่รัฐแล้วรัฐ ก, ก็เอาไปช่วยเหลือ จังหวัดที่ขาดตกบกข้องไม่สมบูรณ์อย่างนี้แหละก็เฉลี่ยไปเอาเงินไปช่วยพัฒนาจังหวัดต่างๆที่ยังบกข่องอะไรต่ออะไรอยู่เช่นขาดน้ําอย่างนี้นะรัฐบาลก็จัดสรรเอางบประมาณที่รัฐดรเสียภาษีให้นี่แหละไปทําอ่างเก็บน้ําออซื้อเครื่องดูดน้ํามาใส่นาใส่ซวน ให้ราษฎรเป็นต้นหมัวเนี้ยการเงินที่เสียภาษี อ, อกากรมูลนี้มันก็มีผลมีประโยชน์เหมือนกันนอะอมันก็เป็นบุญอันหนึ่งเหมือนกันแหละพราะมันได้เฉลี่ยไปหาคนยากคนจนเราต้องคิดไปให้มันพิจารณาให้เห็นไอ้กิจการงานที่เราทําไปนั่นนะมันเป็นประโยชน์ทั้งตนเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นนี่ พรอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นตน้นท่านย่อมมองเห็นทะลุปุโปร่งไปหมดการงานที่มีโทษการงานที่ปราศจากโทษเอออย่างนี้ท่านไม่หลับหูรับตาทำการงานไปดีก็ทำชั่วก็ทาไม่อย่างนั้นนะท่านยอมเลือกคัดจัดสรรงานที่ปราศจากโทษ ริงใดที่เป็นโทษแล้วก็หาทางหลีกเว้นไม่ไม่ทาเพราะว่าพระอริยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันแต่ครั้งพุทตเจ้าเน่ะยังครองเรือนมีผัวมีมีย ม, ม, มีลูกมีเต้า อ, อยู่เหมือนคนทั่วๆ่ไปนั่นเองนะแต่ถ้าถ้าถ้าผูใ้ใดได้บวชแล้วนั้นผู้นั้นก็ไม่ศึกไปครองเรือนอีกแตไ่ได้บรรลุสโสดาบันแล้ว ผู้ใดยังไม่ได้บวชโยฟังเทศฟังธรรมเข้าไปปฏิบัติเข้าไปได้บรรลุโสดาบันแล้วอย่างนี้ก็บางคนก็หนีออกบวชบางคนก็ครองเรือนต่อไปอตามอัธยาศัยนั่นมันก็มีอย่างนี้แหละเรื่องราวของพุทธศาสนานี่นะมันเป็นเรื่องราวที่ชักจูงคนให้หนีออกจาก คุกภัยในวตาสงสารพูดอย่างรวบลัฐตัดตอนอนนี้นะแต่คนมันอาศัยความประมาทสะสมอวิชาตันหาไว้ในใจให้มากมากและปี้ตันหามันลเลยบังคับจิตใจไม่ให้ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมาเห็นโทษเท็นภัยในวตาสงสารนี่มันเป็นอย่างนั้น สายเหตุคนลอดมาเ ก, เกิดมาในโลกอันนี้มพาพบพุทธศาสนาแล้วก็ยังช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ภัยในอบายภูมิตังสี่มิลรุกเป็นต้นไม่ได้ก็เพราะความประมาทนี้เองเนี่ยบางคนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วฟังพอเป็นวิธีพอว่นั่นแ่ะไม่ได้น้อมเอาไปคิดไปกรองเลยที่ท่านแสดงแนะนำ บอกอุบายพ้นทุกคนภัยให้อย่างนี้มันก็ไม่เอาไปคิดไปตรองเมื่อเอาไม่เอาไปพิจารณามันก็ไม่เห็นช่องทางเลยหรือตอนเคยทําชั่วมายัางไงก็ทําอยู่นั่นแหละมันละไม่ได้นี่นี่มันเป็นอยู่อย่างนี้ส่วนหลายนะไอ้ส่วนน้อยนั้นมีอยู่ฟังเท้ฟังธรรมแล้ว เห็นแจ้งโดยตนเองว่าบาปนี้ควรละแท้แท้ไม่ควรสะสมมันเลยนี่อันบุญกุศลนี่ควรทำจริงๆเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยอย่างเดียวนี่จะอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้กระทำไปโดยลำดับจนบรรลุถึงผริภานก็อาศัยบุญกุศลนี่เองจึงได้ พยายามละ ก, กรมรมันชั่วออกจากกายวาจาใจแล้วจะทำแต่กรรมที่ดีใส่ตนเองไม่เกียจคร้านเป็นคนมันคนขยันในหน้าที่ของตนเป็นภิกษุสามนเณนรก็มันขยันสำรวมในศีลทำศีลให้บริสุทธิ์ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไป แล้วมันขยันทําใจให้เป็นสมาธิภาวนาพยายามระงับนิวรณห้าอย่าให้มันมาครอบงําจิตใจได้ศึกษาให้รู้นิวรณ์ห้าคืออะไรบ้างก็เคยพูดให้ฟังมามากกว่ามากแล้วและในตาราก็มีไม่ควรจะนิ่งนอนใจควรดูอ น, นิวรณ์ห้าที่เป็นข้าถึกแก่ความสงบใจโดยแท้ถ้าใครไม่รู้แล้ว เมื่อนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจเ้วก็ไม่รู้ไม่รู้วิธีจะระงับมันเลยก็ปล่อยมันเข้อองงางมจิตใจอย่างนั้นก็ภาวนาไม่ได้ใจสงบลงไม่ได้แล้วก็นั่งก็ไม่ติดแล้วเกิดไปอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นต้องให้รู้ว่อนั่งภาวนาแล้วมันมีนิวร อ, อะไรเกิดขึ้นมาเข้อองงางมจิตนี้ก็รู้อย่างนี้นะ เมื่อรู้แล้วก็พยายากกำจัดนิวรนอนั้นออกไปเมื่อนิวร น, นั้นดับลงจิตใจมันก็สงบลงได้เช่นอย่าว่าเมื่อความรักเกิดขึ้นมาในใจอย่างนี้นะทพ่จารณาอสิ่งที่ตนรักนั่นอ่ะมันมีแต่สิ่งที่ไม่สวยไม่งามแต่มันหลงต่งหากหลงผิวนอกหลงผ้านุ่งผ้าโฮมหลงเครื่องประดับหลงผิวหนัง ที่ห้มหอ่อสิ่งโสโครกโสสกโปกอยู่ภายในมันหลงตรงนี้เหตุที่มันจะเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาหลงสีหลงผิวพรร์ต่างๆหมูนนี่นะเราต้องเรียนต้องอ่านให้ให้รู้หมดเลยอันมันหลงตรงไหนพิจารณาลงไปมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะ เมื่อมันเห็นชัดด้วยปัญญาเนี่ยความรักมันก็บนเทาลงมันก็ระงับลงมอนมันเป็นอย่างนั้นความเกลียดความชังก็เหมือนกันเแต่ที่จิตใจมันจะไม่เกลียดเกลียดชังอยู่เพราะมันขาดคุณธรรมคือเมตตากรุณาเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็มันเจริญเมตตากรุณาทําให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจให้ได้อม เพราะว่าทำเครื่องละแงบกิเลสเนี่ยมันมีอยู่นะพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้แล้วมีแต่เราโน้มเอาไปสู่จิตใจโน้มเข้าไปในจิตใจสร้างให้เกิดขึ้นในใจให้มากเท่านั้นเองเนะเมื่อสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วความโกรธมันก็เบาลงเพราะจิตไม่ชอบมันนะชอบเปตตากรุณาพี่ต่างหะก ชอบการสงเคราะห์ซึ่งกันเลยกันช่วยเหลือกันเลยกันไม่ชอบทะเลาะวิวาทกันด่าแช่งกันแตกธทมคีกันด้วยอำนาจหรงความโกรธอันนั้นมันอยู่ไม่เป็นสุขได้ถ้าคนหมู่ใดอยู่ด้วยกันแล้วสร้างความโกรธกิ้เล็ดตัณหาอะไรให้หนาแน่นขึ้นในใจเราอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเลยมีแต่ทะเลาะวิวาทกันก่อความทุกข์ให้เกะกันและกัน ที่นี้ถ้าต่างคนต่างมีเมตตาธทำกรุณาธรรมอยู่ในใจให้มากเสมอไปแล้วก็แม้จะอยู่ด้วยกันร้ายผู้ร้ายคนก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าผู้มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจมันย่อมรู้จักให้อภัยต่อกันในกันได้เอไม่ถือโกรธถือเกลียดกันฝ่ยได้ฝ่ายหนึ่งร่วงเกิน อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็อโหสิกรรมให้ไปฝ่ายที่ล่วงเกินผู้อื่นด้วยความประมาทด้วยความพลังเผลอเมื่อรู้ตัวแล้วก็ขอโทษเพื่อนบางคนเน่ะกระด้างกระเดืองไม่ขอไหยไม่ขอโทษเพื่อนตนได้พลังเผลอล่วงเกินเพื่อนไปอย่างไรแล้วพอรู้ตัวแล้วก็ไม่ขอโทษบางคนก็คิดว่าเสียเปรียบ ออ้อย่างนั้นมันไม่ถูกนั่นแหละมันเป็นกรรมเวนยนผูกพันกันไปถ้าพูดใดรู้ตัวว่าตนได้ล่วงเกินเพื่อนแล้วก็ขอโทษต่อเพื่อนเพื่อนเอาโหสีกรรมให้แล้วกรรมนั้นมันก็เลิกล้างกันไปมันก็ไม่ติดตามไปสนองในชาติต่อไปอีกมันเป็นอย่างนี้นะเพราะให้พากันจำเอาไว้อย่าไปกลัวเสียนะเสียตาเสีย เหตติยศชื่อเสียงอะไรมันไม่เสียอะไรหรอกเมื่อเราผิดลงไปแล้วเราขอโทษเพื่อนเสียเพื่อนอาหาให้อโหสิกรับแล้วมันก็ดีกันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าไปถือมั่นไว้เราไม่ไหวมองหน้าก็ไม่ติดละ่ะเอนั่นมันมันก่อทุกข์ให้แก่กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้มันเห็นโทษในความโกรธอย่างนี้ก่อนมันถึงละได้เรื่องมันอะ ถ้าไม่เห็นโทษอย่างเนี้ยมันละไม่ได้หรอกเพราะกิเลสตอนนี้มันติดสอยห้อยตามมาเ อ, อในวัตาสงสารที่ร่วงแล้วมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบดังนั้นเมื่อมาชาตินี้เราจะมาละมันเอาง่ายๆจะให้มันดับไปโดยเร็วนี่มันไม่ได้ต้องพยายามไปต้องพิจารณ า, าเห็นโทษของมันจริงๆนี่อยากจะขอย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องความโกรดนี่นะเพราะว่า มันมีอยู่ผู้เข้ามาอยู่ในวัดวาอารามแล้วก็ยังเอาความโกรธมาใช้อยู่ก็มีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละจึงอยากพูดย้ำแล้วย้ำอีกให้ผู้ฟังได้ตื่นตัวอันนี้แหละมันเป็นอารมณ์สำหรับขัดขวางให้จิตใจสงบระงับลงไม่ได้ให้เข้าใจบนนี้ความง่วงเหงาหาานอนหมดแล้ว น, นะ มันเป็นตัวมารตัวสําคัญมากเหมือนกันในเรื่องความง่วงเหงาหานอนนะเงินง่วงพอพก็มาแล้วไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากทําอะไรมีแต่อยากหลับลูกเดียวมไม่ถึงเวลาหลับมันก็อยากหลับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปตามใจมันออ่เมืเมื่อ นอนพอส ม, มาธทุกคนแล้วมันยังง่วงอยู่ไม่นอนมันต้องลุกขึ้นไปทาอย่างใดอย่างหนึ่งไปดูหนังสือบ้างท่องบนสาธยายข้ออัดข้อทมที่จำมาได้เข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันเพลินไปตามธรรมะคำสอนนั้นเข้าไปแล้วไอ้ความง่วงมันก็ค่อยเบาไปหายไปมันเป็นงานวิธีแก้มันนะ อย่าไปนั่งหลับงกง่วงอยู่อย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรจะนั่งอยู่ทั้งหมดคืนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้ามันงกมันง่วงอยู่อย่างนั้นดังนั้นถ้าเห็นว่านั่งอยู่มันชำละมันไม่ได้ความง่วงนี่อย่างนี้ก็ต้องลุกขึ้นนะไปล้างหน้าล้างตาไปทำกิจธุระบางสิ่งบางอย่างรูหนังสืออย่างที่กล่าวมาแล้วนั่น มันจะเป็นเครื่องระงับความว่องออกไปในจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญนั่นน่ะมันก็มีโทษอยู่มากมายเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปปล่อยอย่าไปปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านที่จิตมันฟุ้งซ่านนั่นก็เพราะเหตุว่าจิตมันอ่อนแอมันไม่เข้มแข็ง เมื่ออารมณ์ได้กระทบกระทั่งเข้ามามันไหวไปตามเลยคิดไปตามปรุงแต่งไปตามอถ้าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมันก็เสียใจไปอยู่งั้นแหละวิตกวิจามอะไรยิ่งครุ่มใจยิ่งเสียใจไปนี่นะมูลเหตุที่จิตจะฟุ้งซ่านเนะ่ะเพราะว่าจิตไม่ได้รับการอบรมไม่ได้คมไม่ได้เ อ, อสะกดมัน ให้มันตั้งมันให้มันหนักเล่นนี่ให้รู้จักจุดปกค้องตรงนี้ผู้มีจิตฟุ้งซ่าน่ะเมื่อรู้ส่วนอย่างนั้นเ้ารีบเอาที่ตั้งสติสะกดจิตเข้าไปไม่ไม่ต้องมีพิธีรีทองอะไรมากมายนั่งกําหนดนมหายใจเข้าออกแล้วสะกดจิตนั้นไม่ให้มันคิดไปในอธิษฐานในใจว่าในขณะนี้เราจะไม่คิด ไปที่ไหนเลยอย่างนี้นะจะ ก, กำหนดรู้อยู่นี้แหละราอความคิดทั้งหลายเหล่านะั้นไม่มีสาระแกนสารอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเฉยจะคิดไปทำไมคิดไปแล้วใจยิง่งเศร้าหมองหุ่นมัวมก็เตือนตอนก่อนแหละทีแรกนี่นะเป็นอย่างั้นเมื่อตนเตือน ต, น, ตนเข้าไปนี่ก็สะ ก, กดจิตลงไปแล้ววันนี้ไม่ให้มันคิดไปเพ่งจิตเข้าไป นี่ต้องฝึกจิตให้หนักแน่นอย่างนี้นะนั่นแหะเมื่อฝึกจิตให้หนักแน่นอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปมันก็ทําให้ใจนี่หนักแน่นเข้าเมื่ออารมณ์ต่างๆทกระ ท, ะ, ะทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่ค่อยวันไหวแล้ววันนี้นะเนี่ยมึงก็อดได้ทนได้วันนี้อืมมันก็มีสติควบคุมจิตได้เพราะมันเคยควบคุมจิตมา คนที่ไม่เคยควบคุมจิตตัวเองเลยอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงเวลามีเหตุตอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ควบคุมจิตไม่อยู่เลยเขาไม่เคยทําอ่ะำจิตมันก็ไหวไปตามเรื่องนั้นนั้ น, เ, นเสียใจดีใจเศร้าโศกไปตามอย่างที่ว่านั่นะี่มันเป็นอย่างนี้จุดสําคัญของจิตฟุ้งซ่านล้อมคานนี่นะที น, น, นี้ความสงสัยลังเลต่างๆหมดเนีย่ย มันสงสัยอะไรบ้างดส่วนมากก็สงสัยว่าตนเองนี่นะปฏิบัติมานี่จะได้บุญหรือไม่ได้หรือไม่ได้บุญโนาจะพ้นจากนรกได้หรือไม่โนาอะไรอย่างนี้นะถ้าระวิตกวิจารอยู่เนี่ยมันก็จิตลงไม่ได้เลยจิตสงบลงไม่ได้เป็นอย่างนั้น หรือว่าสงสัยลึกเข้าไปคนนั้นกับบาปมีหรือไม่บีบาปมีจริงหรือไม่หนอบุญมีจริงหรือไม่หนอโลกหน้ามีจริงหรือไม่หนาะ อ, อะไรหมด น, น, นี้นะนี่นะนรกมีจริงหรือไม่หนอะมันเกิดสงสัยเรื่องหมดนี้ขึ้นมาเพราะได้ยินได้ฟังพระท่านเทศบ่อยๆสงสัยแต่ว่าเก็บไว้ในใจนั้นไม่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลาย มันก็เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิภาวนาอืทําใจสงบลงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้พากันศึกษาในวรรณธรรมห้าประการนี้ให้รู้ใเข้าใจเราจะไปศึกษาเรื่องอื่นให้รู้ไปมากมายถ้าไม่รู้ทําอันเป็นค่าศึกแก่ความสงบอันนี้แล้วมันไม่ได้ไประโยชน์เท่าที่ควรหรอกอืมขอให้เข้าใจ ยานั้นต้องมาพิจารณากำหนดให้รู้นินวรณธรรมห้าประการดังที่ที่แจ้งใงความมานี่นะหนึ่งความรักสองความชังความยาบาทสามความว่องเหงาหานอนสี่ความที่ปล่อยจิตให้พุ่งสร้างลำคาญไปในอารมณ์ต่างๆห้ า, า 5. ปล่อยจิตให้สงสัยลังเล ในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เหล่านี้ให้มันสงสัยอย่งนั้นไม่ไทยถามท่านผู้รู้ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขีดกันไม่ให้จิตใจเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิได้จะพากันเข้าใจเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วนิวรนข้อไหน มันเกิดขึ้นในใจเเรารู้แล้วก็พยายามกำหนดละมันไปนี่ฮะเมื่อละมันได้มันระ ง, งับตัอไปจิตใจมันถึงรวมลงสงบลงได้ให้เข้าใจอย่างนั้น้านิวร์ตัวอื่นเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราก็ต้องเพียรระงับมันลงให้ได้ถ้าระ ง, งับนิวรน์นี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องออกจากรมาธิกัน อธิษฐานใจลงไปตายเป็นตาย้านีวอนอันนะ่าทำอันนี้ไม่ดับลงไม่สงบลงเมื่อใดแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้แหละสู้กันใจต้องเด็ดเดี่ยวต้องกล้าหาญอย่างนั้นมันจึงระ ง, งับนีวอนทั้งห้านี่ได้เราจะไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธเท่านี้แล้วให้นีวอนเนีมันระ ง, งับไปไม่มีทางนะ ต้องอบรมฝึกใจเข้มแข็งให้อาหานอดทนอดกัน้นเป็นพื้นฐานพละกรนี่นะนั่นแะแล้วจึงค่อยพิจารณาดูโทษของนิวรณธรรมห้าประการนี้ให้ได้เมื่อเห็นโทษมาแล้วมันก็ปล่อยกว็วางนะจิตใจก็รวมลงได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ การทำใจให้เป็นสมาธิเนี่ยบางอาจารย์ก็ว่าไม่สำคัญสู้ปัญญาไม่ได้การทำปัญญาให้เกิดขึ้นนี่นับว่าดีกว่าเพราะปัญญาเนี่ยมันเป็นเหมือนอย่างอาวุธวิเศษตัดกิเลสขาดจากสันดานได้แต่ลืมนึกถึงจแล้วว่า อันปัญญาที่จะเกิดได้อย่างนั้นนะ่ะมันอาศัยอะไรเป็นพื้นฐานนี่พูดพูดอย่างนั้นนะ่ะพูดไม่รอบคอกมันก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานเลยถ้าจะอุโมมาให้ฟังก็เหมือนอย่างหลอดไฟฟ้าอย่างนี้แหละเวลาที่นายช่างเขาหลอ่อหลอมดีแล้วแล้วเขาเอามาติดแขวนไว เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรบกคร่องเลยครบท้วนบริบูรณ์พร้อมที่จะเกิดแสงสว่างขึ้นได้เมื่อต้องการเมื่อไรอย่างนี้นะข้อนี้อุฟมามันยังเราทาจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่เสมอเสมอไปนั่นนะไปอย่างนั้นทีนี้เมื่อมืดกลางคืนเดือนมืดเข้ามานะต้องการแสงสว่างก็ไปกดสวิ ไฟก็วิง่งเข้าไปใส่หลอดก็ปล่อยแสงสว่างออกมาให้มองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์การกดสวิคนั้นได้แก่การนึกการคิดในขณะที่จิตส ง, งบอยู่นั่นแหละพอมมเมื่อเราทำจิตให้ส ง, งบลงไปอย่างนั้นแล้วเรานึกถึงเรื่องอะไรปัญญามันจะฉายแสงออกไปสว่างจ้าออกมองเห็นเรื่องนั้นได้ชัดเจน ตามเป็นจริงได้อย่างนี้นะเหมือนอย่างกดสวิตไฟฟ้าอย่างที่ว่านั่นเลยไฟวิ่งเข้าหลอดแล้วมันก็ส่องแสงสว่างออกมามแสงสว่างนั่นนหะแสงสว่างภายนอกมันก็มีประโยชน์ทำให้คนเราได้มองเห็นวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรได้ดีดีกว่าความมืดนี่เมื่อมืดแล้วมองอะไรก็ไม่เห็นเลย อันนี้แสงสว่างภายในคือดวงปัญญาสามารถมาสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตนี่ตามเป็นจริงได้ตั้งแต่ก่อนมานั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จริงเห็นแจ้งในชีวิตนี่ตามเป็นจริงหลงยึดหลงถือว่าเป็นเราเป็นของของเราหลงสำคัญว่าสวยว่างา ม, มเป็นเหตุให้เกิดความหยิ่งขึ้นในใจเกิดทิฐิมานะขึ้น ว่าเราแหละคนหนึ่งอย่างโน้นอย่างนี้นี่มันหลงอยู่อย่างนี้เนยนั่นเหมือนกับบุคคลอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นอะไรอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดบุคคลผู้ถูกอวิชฌาโมหะครอบงาจิตใจแล้วอย่างนี้มองไม่เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตของร่างกายอันนี้เลยก็ฉันนั่นเนี่ย ทีนี้เมื่อเราได้มาเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็สว่างอยู่ภายในนี้ดวงกิดนี่นะอกอืมองเห็นความจริงของสังขารร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงได้นอกจากมองเห็นขันธ์ห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มองเห็นว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวทุก ว่า น, นี่เพราะอะไรมันยังเป็นตัวทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนี่นะแล้วมองเห็นว่าตัณหาอะไรเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาอุปทานนะเมื่อความอยากมันมีแล้วลากความอยากนั้นไปไหนมันก็ยึดเรื่องนั้นไว้อย่างนี้นะเช่นความอยากให้ชีวิตนี่ยั่งยืนนานอยากให้มีลูกสวยลูกงามอย่างนี้ เมื่อความอยากอันนี้มีอยู่ในใจมันก็เป็นอุปท า, านอยู่เอทําบุญกุศลอันใดก็ตาดธนาขอให้มีลูกสวยลูกงามขอให้มีอายุยืนยาวนานอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นอนะ่ะตายลงไปบุญกุศลแล้วมันก็นําไปเกิดจริงเนงะี้ยไปเกิดมาแล้วก็มีลูกสวยลูกงามมีอายุยืนยาวนาน แต่หากหลงยึดตุ ด, ดแต่ในร่างกายเลยรแนี้นะสำคัญว่าตนสวยตนงามปะแป้งแต่งแต่ตัวไม่ทำความดีอะไรเหมือนอย่างนางสุชาดาภรรยาของมครมานพในอดีตการนั่นแหละเมื่อสามีไปทำถนนหนทางทำศาลาขุดบ่อนะ้ำ ตากน้ำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไปทํากับเพื่อนเลยอยู่แต่บ้านเฝ้าแต่ลือนแต่งแต่ตัวโดยคิดว่าเมื่อสามีทําแล้วก็เหมือนเราทํานั้นแหละคิดอยู่แต่อย่างนั้นอืมานี่ชวนเมียอีกสามคนนั้นเพื่อนไม่ไว้ใจใครลนะเราต้องทําเอาเราทําเราได้เราไม่ทําก็ไม่ได้ต่างคนก็ไป ทำความดีเป็นอนุสรไว้คนหนึ่งก็ขุดสักน้ำใยคนหนึ่งก็ทำสวนดอกไม้คนหนึ่งก็จ้างช่างเขามาทำช่อฟ้าศาลาไวเ้เมื่อนีเมื่อนายช่างเสวงหาช่อฟ้าขอไปได้บ้านของนางสุธรรมมานั้น นางสุธรมาบอกว่าถ้าจะเอาไปติด ท, ที่ศาลานั้นข้าพเจ้าไม่ขายข้าพเจ้าจะขอให้มีส่วนบุญกุศลร่วมกับคณะสร้างศาลาเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลอานวยความสุขให้ในการต่อไปที่ประชุมกระตกลงให้นางสุธรรมานั้นกล่าวคำอนุโมทนาส่วนบุญกุศล กับปู่กับคณะพร้อมทั้งมอบช่อฟ้าให้ในายช่างเอาไปติดศาลานั้นทีนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วต่างคนต่างก็ล่วงลับไปมคมานกกับสาหายสามสิบสองคนก็ไปเกิดพนสวรรค์ชั้นดาวดิงส่วนนางสุจิตตาสุนันทาสุธรรมา สามคนต่างคนได้สร้างบุญกุศลดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ไปเกิดเป็นมาเหสีของพญาอินส่วนานางสุชาดาไม่ได้ทำความดีอะไรตายแล้วก็ไปเกิดเป็นนกยางหากินปลาอยู่เรียบหนองน้ําแห่งหนึ่งในหุบเขาหุบหนึ่งพญายินตรวจดูไม่เห็นเมียหลวงขึ้นไปเกิดด้วย ก็จึงเลงที่พระเนตรลงมาจึงมาเห็นนางเมียหลวงนั่นได้เกิดเป็นนกยางเที่ยวหากินปลาอยู่ริมหนองน้ำพระยอินจึงลงจากสวรรค์ท่านดาวดิงมาแสดงตนให้ปรากฏว่าที่บอกให้ทราบว่าเธอนะแต่ก่อนเคยเป็นเมียหลวงของเรา เธอไม่ทําบุญกุศลอะไรเวลาเราทําบุญกุศลเพราะฉะนั้นเธอถึงได้มาเกิดเป็นนางนุกยางอยู่นี่ไอเรานั่นแหละและเมียสามคนนั่นอ่ะกับพร้อมสหายได้ทําบุญกุศลมีให้ทานประการต่างๆตายแล้วเราจึงไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าอ อ, เ, อ, อเธออยากไปเกิดอยู่ด้วยกับเราไหมล่ะก็อยากไปนั่นแหละ อืัญญาอินของน้ํากเนตนําสังสอนให้รักษาสินห้านางนกย่างก็สมทานเอาปฏิบัติตามที่สามีแนะนําทางสอนหากินแต่ปลาตายแบบนี้อปลามันไม่ค่อยตายสิแบบนี้นะบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินนะอัญญาอินจะมาทดลองดูมันจะมั่นจริงหรือในสินนะ นางนกย่างเดินไปเดินไปตะยินก็มานิรมิตรเป็นปลานอนตายอยู่ข้างหน้านั่นนาง น, นกย่างเห็นเข้ากันนึกว่าเอ๊ะปลานี่มันตายแล้วนะเอาปากไปค า, นะ า, า, าบมันนี้พอคาบมันดิ้นเอ๊ะปลานี่ยังไม่ตายก็คายออกอืมอย่างนี้แหละแล้วก็เดินหากินไปหาไปเอาพยายอินก็ไปเป็นปลานอนตายอยู่ข้างหน้านั้นอีกเอาปากไปคาบมันสดิน้น อขายสิ่งพยินหนึ่งแน่ใจว่านางนกย่างเนี่ยเป็นผู้มีศินมั่นคงจริงๆจึงได้แสดงตนให้ปรากฏแล้วว่าเธอรักษาศินนะว่ามั่นคงให้เธอรักษาให้มั่นคงต่อไปนะอย่าไปเห็นแก่ชีวิตอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนมันมีความตายเป็นที่ชด คุณแห่งศีลแห่งธรรมนี่เมื่อบุคคลใดบำเพ็ญนี่เกิดให้มีขึ้นแล้วมันจะนำบุคคลพู้นั้นไปสู่ที่สุขที่สบายไปนานนกยางได้ฟังโอวาทของพยาอินแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในที่สุดก็ตายลงก็ไปเกิดเป็นลูกสาวของนายช่างหม้ออยู่ในเมืองพราณสี เอาพยายินก็พยายามลงไปเอาทองทำไปให้ขายเลี้ยงที่ไปเธอก็รักษาสินให้บริสุทธิ์ไปตายจากลูกสาวช่างหม้อนัานไปแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกสาวของอาศูนย์ของอศูนเมื่อเป็นลูกสาวของอาศูนย์แล้วมีลูกสวยลูกงามอย่างยิ่ง บรรดาอาศุนย์อะไรที่เป็นหนุ่มเป็นแน่ก็อยากได้หลายคนอยากได้ผู้พ่อก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นให้ลูกสาวเสี่ยงเอาเสี่ยงพงมาลายเอาถ้าผู้ใดเป็นคู่ อ, อร่วมถูกร่วมทุกขกันมาตรีก่อนก็ขอให้เธอไปคร้องพงมาลายเอาเองเพราะว่าฉะนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ไปประกาศผู้ใดปรารถนาอยากกะ ได้ลูกสาวของพระราชาก็ให้ไปลังไหลกันมามานี้ก็เอาพรมอะไรลูกสาวเลยเอาชอบคนใดไปคล้องคอเอาคราวนี้พยายินน่ะพญายินแปลงตัวเป็นอาถรนแก่มาปนกหมู่อยู่นั่นไอ้นาะคนี่เห็นเขาก็ เดินไปเอาผมอะไรไปคล้องคออาอานแก่นั้นคนทั้งหลายก็งงหมดเลยเอ๊ะทาไมอาูนแก่ข้าวปูนนะู้นทําไมยังมาไปชอบใจอย่างนั้นวอางั้นวันนี้นนพญาอินได้ทีก็อุ้มเอาลูกสาวของพญาอาสนแล้วก็ไปเลยมรรดาอาูนหนุน่มทั้งหลายก็ติดตามไปติดตามไปก็ไม่ทันก็ พญอินก็เลยเอาไปแต่งตั้งให้เป็นอคมเหสีก็มีนามเดิมแนะสุชาดานางสุชาดาก็เลยได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับพะอินไปโดยตลอดอันนี้ที่ยกนิทานมาเล่าให้ฟังนั้นถือเอาใจความว่าการรักษาศีลเนนะี่ยต้องรักษาจริงๆเอาชีวิตแลกเอา ถ้ากลัวอดกลัวอยากอยู่นะรักษาไม่ได้เลยเราต้องสละขันห้าในลงบูชาสินจริงๆริงออความหมายแห่งนิทานในเรื่องนี้เนะ่ะอย่างนางนกยางเนะี่ยเมื่อสละชีวิตเพื่อสินจริงๆริงตายแล้วก็พ้นจากความเป็นนกยางไปจะเกิดเป็นคนรักษาสินเข้าไปอีกตายจากคนก็เกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำลงมาตายจากเทว จากเทวดาก็ไปเป็นใหญ่ในดาวริงนี่อา น, นิสงส์แห่งศิล์อา น, นิสงส์แห่งการฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบให้ตั้งมัน่นระงับนิวรณ์ให้ให้หมดไปจากจิตใจมันก็ได้สติได้ปัญญาสามารถนำตนในพ้นจากคุกครในวตาสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้